วันนี้ก็ทราบข่าวเรื่องมรณะภาพครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเหมือนกับล่มโพล่มไสได้คน้นล้มไปเมื่อวานเนียคือหลวงปู่เลียนวัด อรัญญาบันพศอํเาเภอศรีเชียงใหม่อายุกเก้าสิบกว่าปีแกกวองค์หลวงตาสองือ3สมปีก็ไม่มั่นใจสองปีลอะไรถ้าแก่กวสองปีก็คงจะเป็น95ห้ามรณาภาพเมื่อวานนี้ศพของท่านก็เอาไว้ที่วัดเทพศรินทราวาสรถศพอาบน้ำศพรถศพ ที่วัดเทพเจดวันแต่นั้นเขาคงจะี๋ยขึ้นมาวัดอรันแต่หลวงพ่อคงไม่ลงไปกรุงเทพหรอกคงจะคอยรับอยู่ที่วัดอรันนี่แหละคงจะไปคารวะศพองท่านอันนี้ก็ล้มโพล้มไซของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้เทศนาว่าการ ที่น้องประชาชนเป็นที่เคารพนับถือคนทั่วประเทศเพราะงั้นแหละแล้วองค์หนึ่งก็ท่านมหามังกรวัดภูหินดังอันนี้ก็เป็นพระรุ่นน้องของหลวงพ่อก็เป็นพระที่แสดงธรรมหรือเป็นนักเทศองค์หนึ่งเป็นที่นับถือเป็นที่รู้จัก ในวงการกว้างกวางพอสมควรอันนี้กับมรณะภาพแบบปลุบปรับเหมือนกันอายุเพียงห0สิบกว่าปีมั้งเป็นไข้หวัดใหญ่เหมนกันนะน่าจะคงจะมีเชื้อมาลาเรียหรือว่าไข้เลือนออกด้วยก็ไม่ทราบนะฟังฟังดูแล้วเหมือนกับ ว, ว่ายุงกัดยุงกัดอย่างนั้นแะแต่ลงพ่อไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่มรณะภาพเดี๋ยวนี้ศพอยู่ที่จังหวัดอุบลคงจะ เผาเรือประชุมเพิงวันที่11อมิถุนาเนี่ย น, นี่แหละสรุปแล้ว ค, คือตายทั้งผู้เฒ่าตายทั้งพระหนุ่มเมือนกัน่อ่อนก็หลวงพ่อนะคนนั้นหลวงพ่อนี่ไม่ควรตั้งอยู่ในความประม า, าทือนกันต่กันนาบทั้งสองข้างแลทั้งข้างบนทั้งข้างล่างข้างบนคือค อ, ค อ, องค์หลวงปู่เหลียนอายุ90้าสกว่าปี อันนั้นผสมควรเพราะท่านอายุมากแล้วแต่องค์ที่เล็กกว่านี่สิตายเนี่ยน่าคิดว่างั้นแต่ะฉะนั้นมรณภัยมรณังเมภาวิสตินี่ควรเจริญไว้อยู่เสมอเสมอไม่ควรประมาทควรคิดไว้อยู่เสมอนะ่ยมรนังเมภาวิสติควรระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ หายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายการตายไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกบุคคลว่าบุคคลคนนั้นควรตายบุคคลนี้ไม่ควรตายตายได้ทุกคนตายดูวทุกด้วยทุกเวลากินอิ่มๆตายก็มีนั่งรถนั่งลาตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนั่งเรือตายก็มีนั่งอยู่เฉยๆตายก็มีนอนหลับตายก็มี ทำบรรยายถึงความตายแล้วไม่มีที่สิ้นสุดว่างั้นเถะคือว่าสรุปแล้วคื อ, คอตายได้ทุกอริยาบทเพราะฉนั้นท่านจึงให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอให้ระลึกว่าอยู่เสมอแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีเตรียมพร้อมมาอยู่เสมออันนี้เราเป็นผู้ไม่ประมาทนื่องจากวันนี้เป็นวันพระ ใหญ่เดือนหกดับปี2548เป็นวันพระใหญ่และวันนี้เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกคนนะอย่างน้อยก็ให้มีศีลห้าวันพระอย่างนี้ควรจะมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นก็ศีลอุโบสถอุโบสถศีล น, นะ ถ้าหากว่าพอเป็นไปได้กันเนี่ยศีลห้าควรจะประจําตัวเองไว้อยู่เสมอนวันสําคัญอย่างนี้เพราะวันพระใหญ่มันไม่ไม่ใช่มีบ่อยส5บหวันมีครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราปล่อยปลาละเลยจนเกินไปก็ให้ถามตัวเองว่าเราเป็นพุทธศาสนิ ก, นกชนหรือเปล่า แต่ศาสนาอื่นเขายังมีเ ว, มเวลาถี่กว่าเร า, เ อ, าอย่างอิสลามอย่างนี้ละหมาดละหมาดวันหนึ่งกี่ครั้งการศาสนาคริสต์เนี่ยไปทุทกอาทิตย์แต่เราเป็นพุทธเนี่ยปล่อยให้เราไปเป็นอิสระผลที่สุด ก, ก็เลยอิสระคำนี่ก็เลยปล่อยให้กิเลส ดึงลากไปกินซะจนหมดจนไม่รู้จกักศีลธรรมจนห่างเหินจา ก, จากวัดจักวาผลที่สุดก็เลยมีชื่อแต่ว่าเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ถามนหาเนื้อหาสาระประพุทธศาสนาควรทําตัวอย่างไรควรประพฤติตัวอย่างไรควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะศึกษานะพุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาไตรตรองเหตุและผลพระบอกพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็คือพุทธะเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธะนะอย่างน้อยวันนี้ก็ควรจะมีศีลห้าประดับกายวาจาของเรานะ ใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งการวันเช่นนี้ควรทำอย่างไรควรจะรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยไม่ฆ่าสัตว์ทุกประเภทไม่คิดขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติล่วงประเวณีประพฤติผิดในกามไม่โกหกคนอื่นโดยเด็ดขาดไม่ดื่มชุราและเมลยัยอันนี้คือเป็นคนดีได้แล้วเพียงศีลห้าเท่านั้น ถ้าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ก็ฝึกวันหน้าก็ฝึกเรียกว่าฝึกทุกวันพระถ้าวัดสิบห้าค่ำฝึกครั้งหนึ่งรักษาศีลครั้งหนึ่งต่อไปแปดค่ารักษาศีลครั้งหนึ่งพอต่อไปเมื่ออายุกแก่ขึ้นมาทีนี้หมดความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างอื่นทีนี้เอาหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมละบัน รักษาศีลห้าเป็นประจำเลยแต่เน่อ้าวไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินอยู่แบบผู้มีคุณภาพผู้มีคุณธรรมเป็นผู้เตรียมพร้อมอย่างนั้นเมื่อจึงจะถูกได้คล้ายๆเบื้องต้นกับมืดมาตโมตะมะปรายะโนโชโติคือมืดมาแล้วก็ควรจะสว่างไปตโมตะมะแปลว่ามืดชโชติแปลว่าสว่าง เบื้องต้นเราเกิดมาเราก็โ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์เลี้ยงคอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแปลว่ามกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานเพื่อโ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์แต่พอเป็นไปได้และพอดำรงคงซีบอยู่ได้แล้วก็ควรจะหันหน้าเขา้าหาศีลหาธรรมอันนี้เรียกว่าโชติบโชติพรรยโนมืดมาแล้วก็สว่างไปมันจึงจะถก บางคนน่ยตโมตมะปรายโนตมโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปแหมมืดมากับมกมุ่นกับหน้านที่การงานอย่างว่าผลที่สุดเท่าแก่ชะลาก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหมกมุ่นไปอยู่ตลอดอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปแต่บางท่านก็โชติปรายโนโชติอันนี้หายากนะแหมไอ้ท่านแบสว่างมา แต่ไมเป็นเด็กก็รู้จักศีลรู้จักธรรมแล้วก็รู้จักไปตลอดจนถึงอายุแก่เท่าชลา ก, ก็เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมอันนี้แปลว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปโชติป ร, รายโนโชติเหนนแต่ถ้าว่าถ้าแย่ก็ว่าทั้งมืดมาแล้วก็มืดไปแล้วก็สว่างมาแล้วก็มืดไปอันนี้ใช่ไม่ได้นะ ทีแรกก็เป็นคนน้อยคนหุ่มก็เออสว่างทำรู้จักศีลรู้จักธรรมเคยบวชเรียนเขียนอ่านศึกษาธรรมะปฏิบัติพอเท่าแก่ชรามารุ่มหลงมัวเมากับหน้าที่การงานกับการเป็นอยู่ของตัวเองอันนั้นแปลว่าโชติป ร, รายโนตมโมตมะสว่างมาแล้วก็มืดไปเพราะนั้นพวกเราให้ ไตรตรองไข่ควรให้ดีว่าเราอยู่ในสภาพไหนเพราะฉะนั้นอย่ามัวเมาจนเกินไปในการดำรงชีพท่านผู้ล้มหายตายจากให้เห็นก็เห็นได้ยินมาเรื่อยๆไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มล้มหายตายจากให้พวกเราได้เห็นอยู่เพราะนั้นไม่ควรประมาทมานังเมพาวิสติ ให้ระ ล, ลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นอย่างพวกเรามาวัดวาศาสนาในวันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นการส่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่กายวาจาใจของพวกเราส่วนพระสองฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนักพรตนักบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานที่ท่านอยู่ในป่ารงพงไพอยู่มาตั้งแต่ พลังพระพุทธจาต่อมาก็ไม่รู้กี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยมาถึงพวกเราที่เป็นรุ่นล้านเลนสสุดท้ายไปแถวอย่างพวกเราพวกเราก็มีความพยายามมุ่งมั่นถึงจะทุกข์ยากลำบากยังไงอดมืออิม่มมือฉันมือเดียวแล้วก็ยังอดอีกยังไม่ฉันอีกหลายวันแล้วทำเพื่ออะไรทำทำไมสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อ สงแสวงหาทางพ้นทุก์ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านปฏิปทาของพระองค์ท่านเป็นปฏิปทาที่อดอยากพาดําเนินเดินตามแนวแถวปฏิบัติของท่านบําเพ็ญอยู่ถึงหปีจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในเมื่อสําเร็จ มักสําเร็จผลแล้วท่านก็ยังมาแนะนําพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษสันตุถีประมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐจากนั้นก็สอนให้ฉันมือเดียวอยู่ในปา่าอยู่อยาคุกครีคุกครีด้วยหมู่คณะให้อยู่เสนาสนะอันส ง, งัดจากนั้นก็ไตรตรองทำรร ด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลคืออะไรพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่เราเกิดมาอย่างไรแล้วมีอะไรเป็นแก่นสารจิตใจของเราทําไมจึงลุ่มหลงจิตใจของเราทําไมจึงมาหลงไหลกับร่างกายของเราเมื่อหลงไหลกับร่างกายของเราหลงไหลกับร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็หลงไหลกับยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศสนะเสริญสุขหลงไหลในโลกธรรมแปด โล ก, กธรรม4ี่เพราะั้นหลงไหลในโล ก, กธรรมสี่ที่เป็นที่สิ่งที่ปรารถนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็นั่นแหละมันมีอะไรความสุขของนักปศุของของคนของมนุษย์ชาติความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้ค้นหาดูสิ พระพุทธเจ้าค้นหาแล้วเจอแล้วความสุขที่แท้จริงก็คือที่พระพุทธเจ้าตัดสรูธรรมเเองรู้จักปล่อยรู้จักวางความสุขที่แท้จริงคืออยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจนี่แหละสรุปแล้วคือร่างกายของคนเราเนี่ยแตกสลาย ทุกคนไม่มีใครที่จะหลุดพน้นหนีออกนอกไปได้แต่ส่วนจิตใจนั้นยังไปอีกไปปฏิสนธิใหม่อีกนี่พระพุทธเจ้าทรันว่าทำไมตัวตัวเนี้ยตัวใจเนี่ยเป็นวัฏฏะบุเนี่ยไปหาเมียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่จะทำยังไงจึงจะไม่ให้มันไปเกิดอีกให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้ มันใจมันหมดเชื่อแจะพิจารณาอย่างไรมันมีอะไรอยู่ในใจกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจทําให้ใจตัวนี้วิ่งไปตามกิเลสที่มันพาไปเตะไปกลิ่งไปเพราะนั้นท่านจึงให้มองดูดวงใจอีกที่หนึ่งว่าสิ่งไหนที่ทําให้ใจตรงนี้มันพาไปเกิด มันมีเชื้ออยู่ในนั้นดังนันก็มองดูคือกิเลสราคาโทสะโมหะนี่แหละท่านี่ทำเพียรานดูเข้าไปอีกกิเลสโทสะราคาโทสะโมหะนี่ที่มันเกิดมาจากใจมันเกิดมาที่ตรงไหนทำไมมันจึงเกิดขึ้นมาได้จะชาระด้วยวิธีอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พาดำเนินมาพาปฏิบัติมาแล้ว ได้มักได้ผลมาแล้วท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ศึกษาไว้แล้วอันนี้เกิดกาจัดอยู่ในใจเ่เนี่ดูที่ใจใความเศร้าหมองความผ่องใสที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็บอกว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะั้นมีไหมมันมีมืดแล้วมันยังมีสว่างมันมีร้อนมันมีเย็น มันมีเย็นแล้วมันมีร้อนมันมีขาวแล้วมันมีดามันมีสุขแล้วมันมีทุกข์ทั้งสองเงื่อนเนี่ยมันเกิดมาจากไหนทั้งสองอย่างมันเกิดมาจากไหนเพราะนั้นในโคนหาจุดเนี่ยจุดที่มันเกิดออกมาความสมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี บาปก็ดีบุญก็ดีมันเกิดมาจากไหนสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นท่านพิจารณาถึงจุดนั้นแล้วใจตรงนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อพิจารณาอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยปล่อยวาง สรุปแล้วคือเมื่อใจของเราตายอย่างนั้นอะใจตายอย่างนั้นจ้ะอืมใจตายใจปล่อยวางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับร่างกายตายเป็นยังไงทีงนี้พระอรหันตทั้งหลายเลยเมื่อกับทพาพิารณาดูใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางเอปล่อยวางเสร็จแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์เทนะี้นมีความรู้สึกในใจสิ่งที่จะให้ปั่นป่วนและแปรปวนทําให้เกิดทุกข์ยากลำบาก มาลบกวนจิตใจของของคท่านอะไม่มีแล้วมีแต่วอมว่างนิพพานังปรัมังสูญยังนิพพานสูญนิพพานังปรัมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละทั้งสูญทั้งสุขอปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มาถกเถียงกันลำบากเลยอันใดสูญอันใดสุขอันใดสุขทําไมจึงสูญถ้าสูญแล้วทําไมจึงมีสุขนี่ย จกตากันละบาทเลยไม่มีที่สิ้นจุดถ้าผู้ปฏิบัติถึงมักถึงผลแล้วไม่ต้องถามไม่ได้สงสัยในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนี้แต่คาว่าผู้ยังไม่ถึงนะนะั่นแ่ะมาถกเถียงกันท ร, รมะโหโนทมโมโหแตกจกตากันเอะทะเลาะวิวาทกันเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ถึงจุดนั้นแล้วเจอธรรมะปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้ไม่ต้องถามใครนะเพราะนั้นพวกเราไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนั้นแหละทางว่ายังเวียนไหวตายเกิดจะหาความสุขไม่ได้นะมันต้องทุกข์แน่ๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาจะยินข่าวคนนั้นตายเดี๋ยวจะยินข่าวคนนี้ตายเพ้อเพล่กับตายใกล้เข้ามาตายเข้ามาผลที่สุดมาถึงเราแต่นั้นเราตายแต่เนี่ย ตายให้คนอื่นดูอีกต่างหากเพราะนั้นควรภาวนาไว้อยู่เสมอนะมรณงเมภาวิสติและลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าคนลึกถึงความตายแล้วไม่หลงตัวไม่ลืมตนไม่ลืมตัวรู้เท่ารู้ทันทําสิ่งไหนก็ทําด้วยความตั้งใจในทานรักษาศนลด้วยความตั้งใจด้วยความไม่ประมาทนี่แหละคนที่ตั้งอยู่ได้สติ สัมปัญญาอย่างนี้มีแต่ความเย็นอกเย็นใจนะไม่เดือดร้อนไม่บุบวายเหมือนนั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางนะถ้าตอนนี้ไปก็รับพรวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดธรรมะแนวปฏิบัติเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้จำเหนียกสำนึกไว้นะ